เรื่องสวรรค์ชายคนหนึ่งอยากรู้สิจริงว่าสวรรค์เป็นอย่างไรดังนั้นเขาจึงตั้งจิตอ้อนวอนภาวนาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพนับถือทุกค่ำเช้าข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพข้าปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะชื่นชมความสวยงามของสวรรค์สักครั้งในชีวิตหากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นใจข้า และเห็นถึงความสัตว์ซื่อที่ข้ามีต่อท่านมาโดยตลอดได้โปรดพาข้ า, าไปเยี่ยมชมสวรรค์สักครั้งเถิดแม้ไม่มีทีท่าว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเห็นใจและมอบสิ่งที่เขาต้องการให้แต่ชายผู้นี้ก็ยังเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาเคารพนับถือและพร่ำภาวนาอ้อนวอนเช่นนั้นต่อไปไม่มีเว้นแม้แต่วันเดียวกระทั่งวันหนึ่ง ขณะที่เขากำลังภาวนาด้วยความต้องการเดิมอยู่นั่นเองทูสวรรค์องค์หนึ่งก็ปรากฏกายขึ้นมาต่อหน้าและกล่าวว่า mm hmm. เจ้าแสดงให้ข้าเห็นถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ดังนั้นข้าจะช่วยให้เจ้าได้เห็นสวรรค์ที่แท้จริงตามคำขอแต่เจ้าจะได้แค่มองทุกสิ่งผ่านทางหน้าต่างเท่านั้น ไม่สามารถเข้าไปข้างในได้เพียงแค่ทูตสวรรค์ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าชายผู้นี้ก็ดีใจจนแทบสิ้นสติอยู่แล้วดังนั้นเขาจึงยินดีรับข้อเสนอของทูตสวรรค์อย่างง่ายดายโดยไม่คิดจะเรียกร้องอะไรไปมากกว่านั้นอีกทูตสวรรค์จึงพาเขาลอยขึ้นไปยังที่แห่งหนึ่งสิ่งที่ชายคนนี้ได้เห็นก็คือบ้านหลังใหญ่ เขามองผ่านหน้าต่างเข้าไปเห็นผู้คนมากมายเดินขวักไขว่ยอยู่ในนั้นตรงกลางห้องมีโต๊ะขนาดใหญ่วางอยู่บนโต๊ะนั้นเต็มไปด้วยอาหารรสเลิศมากมายที่ดูเหมือนว่าถึงแม้จะถูกกินไปทั้งชาติก็ไม่มีทางหมดชายผู้นี้เห็นดังนั้นก็คิดว่าที่นี่ต้องเป็นสวรรค์อย่างแน่นอนแต่ไม่เข้าใจว่าทั้งที่เป็นเช่นนั้นแต่เหตุใดทุกคนในบ้านจึงมีร่างกายผอมโซ อ, อิดโรย และดูไม่มีความสุขเอาเสเลยแล้วทันใดนั้นเขาก็สังเกตเห็นความผิดปกติประการหนึ่งผู้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ไม่สามารถง อ, อข้อศอกได้หากจะยกแขนก็ต้องยกขึ้นมาเป็นเส้นตรงทั้งค่อนดังนั้นเมื่อหิวและถึงเวลาที่ต้องกินอาหารพวกเขาก็ไม่สามารถกินอาหารได้ขนัดนะักชายผู้นี้เห็นคนในบ้านหลายคนพยายามหยิบอาหารที่กองอยู่เต็มโต๊ะขึ้นมา แต่ไม่สามารถงอข้อศอกเพื่อป้อนอาหารให้แก่ตนเองได้บางคนจึงต้องยืดแขนสุดตัวและเงยหน้าอ้าปากเพื่อรอรับอาหารที่ตนปล่อยลงมาบางคนก็ก้มลงไปแทะอาหารด้วยปากไม่ต่างจากสุนัขชายผู้นี้เห็นแล้วรู้สึกสมเทศเวทนาคนในบ้านหลังนี้เป็นอย่างยิ่งขณะที่เขากําลังคิดอะไรต่อมิอะไรอยู่นั้นทูสวรรค์ก็พูดขึ้นว่า ไปกันต่อเถอะที่นี่ไม่ใช่สวรรค์แต่เป็นนรกแล้วทูตสวรรค์ก็พาชายคนนี้เดินต่อไปอยังบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งมีลักษณะที่ไม่ต่างไปจากบ้านหลังแรกทั้งผู้คนมากมายและอาหารที่มีเหลือคนาบนโต๊ะรวมทั้งท่อนแขนที่ไม่สามารถงอได้แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนกันเลยก็คือทุกคนในบ้านหลังนี้แลดูสุขภาพดีใบหน้า ย, ยิ้มแย้มแจ่มใส และเปี่ยมสุขเป็นอย่างมากเอ๊ะทาไมคนในบ้านหลังนี้ถึงดูมีความสุขกันนักทั้งทัที่ทุกอย่างของที่นี่ก็เป็นเหมือนกับบ้านหลังที่แล้วชายผู้นี้คิดอย่างแปลกใจไม่เหมือนทุกอย่างหรอกดูนั่นสิทูตสวรรค์พูดขึ้นรากับอ่านความคิดของเขาได้และเมื่อชายผู้นี้มองเข้าไปในหน้าต่างเขาก็เห็นถึงความแตกต่างที่ทูตสวรรค์กล่าวในทันที แม้คนในบ้านหลังนี้จะงอข้อศอกไม่ได้แต่พวกเขาก็ได้กินอาหารดีๆจนอิ่มทุกมื้อเพราะทุกคนไม่ได้คิดแต่จะทำให้ตนเองอิ่มแต่ทุกคนอยากให้ผู้อื่นอิ่มด้วยดังนั้นคนในบ้านหลังนี้จึงไม่ได้พยายามป้อนอาหารให้ตัวเองแต่พวกเขาหยิบอาหารป้อนให้กันและกันอย่างมีมัตรีจนอิ่มท้องกันทั่วหน้า ไม่ใช่แค่อิ่มท้องอย่างเดียวแต่ทุกคนในบ้านหลังนี้ยังอิ่มใจด้วยน้ำใจจากคนใกล้ชิดด้วยชายผู้นี้เอ่ยขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่เต็มตื้นในหัวใจใช่แล้วแท้ที่จริงสวรรค์ก็คือทุ ก, ท, กทุกที่ที่เราอยู่แล้วมีความสุขทุกทุกที่ที่มีการแบ่งปันทุกๆุกที่ที่มีความช่วยเหลือ และทุกๆ ท, ที่ที่มีความรักความจริงใจที่แห่งนั้นไม่จำเป็นต้องสวยงามหรือพลั่งพร้อมไปด้วยความสุขสบายมากมายเลยก็ได้เพราะฉะนั้นที่นี่ก็คือสวรรค์อย่างไรเล่าทูสวรรค์กล่าวทิ้งท้ายก่อนจะส่งตัวชายผู้ซึ่งเข้าใจความหมายของสวรรค์ดีแล้วลงไปใช้ชีวิตต่อในโลกมนุษย์ดังเดิมและที่นั่น ก็อาจจะมีสวรรค์รอเขาอยู่แล้วเช่นกันเธอทั้งหลายความสุขก็คือสวรรค์ชั้นยอดของมนุษย์ถ้าเรามีความสุขนั่นก็คือเราได้พบสวรรค์แล้วปัญหาอยู่ที่ว่าทำอย่างไรเราจึงจะมีความสุขและได้พบกับสวรรค์เรื่องนี้ไม่ยากนักหรอกขอเพียงให้เธอตระหนักอยู่เสมอว่าไม่ว่าจะทำอะไร หากเธอเอาแต่คิดถึงตนเองอยู่ตลอดเวลาเธอก็จะไม่มีวันมีความสุขแต่กลับจะรู้จักความทุกข์ไม่มีวันได้พบกับสวรรค์แต่มักได้เจอกับนรกเพราะความสุขเริ่มจากการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และทําเพื่อคนอื่นอยู่เสมอถ้าเธอสามารถฝึกตนเองให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมได้ตลอดเวลาเธอก็จะได้อยู่ในสวรรค์อย่างแท้จริง